พระธรรมบทภาคที่สปุกภววน า, นาเสนอเรื่องที่สองเรื่องพระเทระผู้เจริญมริจิกรมทานพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปราภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้เจริญมริจิกรมฐาน ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเพเนูประมังเป็นต้นดังได้สดับมาพระเถระนั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาษษสดาแล้วคิดว่าเราจะทำสมนธรรมดังนี้แล้วเข้าไปสู่ป่า ภาคเพียรพยายามแล้วก็ไม่อาจบรรลุพระอาหารหันต์ได้จึงกลับมายังสำนักพระาศาสดาด้วยตั้งใจว่าจากทูลอรัธนาให้ตรัสบอกพระกรรมฐานให้วิเศษเห็นพยับแดดในระหว่างทางเจริญมารีจิกรรมฐานว่าพยับแดดนี้ตั้งขึ้นแล้วในฤดูร้อนย่อมปรากฏแก บ, บุคคลทั้งหลาย ผู้ยืนอยู่ณที่ไกลดุดมีรูปร่างแต่ไม่ปรากฏเลยแจบุคคลผู้มาสู่ที่ใกล้ฉันใดแม้อัตภาพนี้ก็มีรูปเหมือนอย่างนั้นเพราะอัตว่าเกิดขึ้นและเสื่อมไปเดินมาแล้วเมื่อลาในหนทางอาบน้ำในแม่น้ำอจิราวดีนั่งที่ร่มไม้ริมฝั่งแม่น้ำมีกระแสอันเชี่ยวแห่งหนึ่ง เห็นฟองน้ำใหญ่ตั้งขึ้นด้วยกำลังแห่งน้ำกระทบกันแล้วแตกไปได้ถือเอาเป็นอารมว่าแม้อัตภาพนี้ก็มีรูปอย่างนั้นเหมือนกันเพราะอัตว่าเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปพระศาสดาประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีนั่นแหละ ทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นนั่นแหละพิกษุอัตภาพนี้มีรูปอย่างนั้นแหละมีอันเกิดขึ้นและแตกไปเป็นสภาพแน่แท้เหมือนฟองน้ำและพยับแดดดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าพิกษุรู้แจ้งกายนี้ว่ามีฟองน้ำเป็นเครื่องเปรียบ รู้ชัดกายนี้ว่ามีพยับแดดเป็นธรรมตัดพวงดอกไม้ของมารเสียแล้วเพิ่งถึงสถานที่มัจจุราชไม่เห็นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเพนูประมังความว่ารู้แจ้งกายนี้คืออันนับว่าเป็นที่ประชุม แห่งส่วนต่างๆมีผมเป็นต้นว่าเห็นสมด้วยฟองน้ำมีอัดว่าไม่มีกาลังมีกําลังสามไม่ตั้งอยู่นานและเป็นไปชั่วการบทว่ามรีจิธรร ม, มังเป็นต้นความว่ารู้ชัดคือรู้ได้แก่ทราบว่าแม้กายนี้ชื่อว่ามีพยับแดดเป็นธรรมเพราะอัดว่าเป็นไปชั่วขนาดและปรากฏนิดหน่อย เหมือนอย่างพยับแดดเป็นดุจมีรูปร่างและเป็นดุจเข้าถึงความเป็นของที่ควรถือเอาได้แจกบุคคลทั้งหลายผู้ยืนอยู่ณที่ไกลแต่เมื่อบุคคลเข้าไปใกล้ย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าเข้าถึงความเป็นของถือเอาไม่ได้ฉะนั้นสองบทว่ามารัสสะปะภุพการนี้เป็นต้นความบ้าภิกษุผู้ขี่นาศ ตัดวัตตะอันเป็นไปในไตรภูมิกล่าวคือพวงดอกไม้ของมารเสียได้ด้วยอริยมรรคแล้วพึงถึงสถานที่ไม่เห็นคือที่อันไม่เป็นวิสัยของมัจจุราชได้แจ่พระอมตะมหานิพพาน ในการจบคาถาพระเทระบรรลุพระอหรหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วชมเชยสรรเสริญถวายบังคมพระสริระของพระาศาสดาซึ่งมีพันดุจทองคำมาแล้วดังนี้แหละเรื่องพระเทระผู้เจริญมรรจิกรมฐ า, านจบ